ตอนนี้ก็ขอตัดตัดตอนของพระเจ้าพรมหาราชเป็นอันว่าครองราชแล้วเป็นราชการที่เท่าไรสามสิบห้าพระเจ้าพังคราชสามสิบหกทุพพิฆาะสามสิบเจ็ดพระเจ้าพ ร, มา ร, า 36, พา 37, ระพรมหาราชนึกว่าต่อมาตอนหลังปรากฏ ล, ลูกลูกเก่งไม่เท่าพอ่อ ก็ต้องเสียเอกราชให้แก่ไทยใหญ่แล้วก็ไทยไม่กันแล้วก็ถอยหลังมาอยู่ที่โอทองก็เป็นต้นตระกูลของพระเจ้าของพระเจ้าโอทองเองแล้วก็ไหลามากรงเสียยติยากรงศสียยติยาก็ทะเลาะ ก, กันไปทะเลาะ ก, กันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจนกระทั่งเวลานี้ กษัตริย์โกราณก็ยังเป็นกษัตริย์ของเชียงแสนน่นั่นเองก็คงเป็นเชื้อสายของเชียงแสนนี่คนแก่เล่าให้ฟังคนแก่นี่ไม่ย่พ่อหมายความว่าคนแก่ท่านเล่ากันมาทะจำกันมาเรื่องประวัติสายของชาติไทยถ้าจะเขียนกันจริงๆมันต้องเขียนกันอีกหลายเล่ม ใครที่เขาเขียนกันแล้วนี่รู้สึกว่ายังขาดตอนไปมากท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็สําหรับคนเขียนประวัติศาสตร์เกิดทันประวัติศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบดีไม่ดีก็โ ม, โมเมโปเปตานนังล่อ ก, กันดักมึงเถียงกูกูเถียงมึงแล้วจะเอาใครมาเป็นกรรมการ จะไปงัดคนที่ตายแล้วมาเป็นกรรม ก, การก็มันก็ไม่ได้เรื่องเป็นอันว่ายกยอดว่าการชนะสงครามคราวนั้นเมื่อเวลากลับก็ปรากฏว่ามีบรรดาประชาชนหลายถือดอกไม้เครื่องเสกาวรามมตรมายืนสองแถวคอยรับทับกลับเข้าไปแล้วก็เชิญพยาพ่อขึ้นครองราชสมบัติ ตอนนี้ก็ขอตัดว่าพระเจ้าพ ม, มหราชตายกันสถทีเพราะว่าไม่ได้ห ว, วังจะพูดเรืนประวัติศาสตร์ต้องการให้ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์รู้ ล, ลักของพ่อที่รับฟังพ่อนั่งคิดๆนะนั่งคิดนั่งดูครูค่ๆหนึ่ง ก็คิดว่าพวกเราที่กําลังนั่งรวมกันอยู่นี่ดีไม่ดีก็จะเกิดในสมัยเชียงแสนหรือ ว, ว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าพังคราชโ น, โน่้นในตอนก่อนโน่นต่างเยอะแยะแล้วดีไม่ดีก็มานั่งบลาะกอที่เป็นนักรบบ้างนักรักบ้าง <c oughs> อาจจะมนั่งอยู่เวลานี้ก็ได้ใครจะรู้ แต่เวลานี้ด้สมเด็จพระบร ม, มครูคือพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านชอบสุขสิกเราก็อาจจะถามท่านได้ว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่เวลานี้กําลังฟังอยู่เนะี่ยเจอทันสมัยนั้นบ้างหรือเปล่าเป็นนักลบบ้างหรือเปล่า นี่ไม่ดีท่านยาชี้หน้าว่าคนนั้นเป็นคน น, คนั้นคนนั้นครนีคนนี้อะไรนี้เป็นต้นตามประวัติศาสตร์ก็ต้องมาพูดกันอีนิดหนึ่งว่าทำไมประเทศจึงต้องมีกษัตริย์คำว่ากษัตริย์นี่เัาแปลกวันนครบกำลังใจของคนไทยทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าถ้าหัวหน้าขี้แยไทยก็ขี้แย ถ้าหัวหน้าเอาจริงขอให้เอาจริงสักอย่างเดียวคนไทยทั้งชาติ่าลุกขึ้นจับดาบเวลานั้นเราจะเห็นว่ากำลังของเราน้อยกว่าขอ ม, มากเราเราก็ถูกขอมย่มยีขนาดหนักเราจะต้องซุ่มการฝึกทหารการรบทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในวงแคบแต่ว่าหัวหน้าเอาจริงที่อย่างเดียว เป็นอันว่าเราก็ขยายเขตแดนออกไปทั้งมากนี่เป็นอันว่าสมัยที่เป็นแมนนี้ท่านตายจะไปสมุทรนะยินด้ถ้ามาเกิดในชาตินี้คงสนุกตั้งแต่เป็นมังรายพ่อตายก็ขยายเขตแดน <c oughs> มาเกิดเป็นพระเจ้าพรมก็มาขยายเขตแดนอีก ตอนนี้ไปเกิดเป็นอะไรอีกล่ะจากพระเจ้าพรหมแล้วอาศัยฌานสมาบัติกลับไปเป็นพรหมตามเดิมเป็นอันว่าเป็นพรหมก็เสียเรื่อยๆเพราะติดพรหมความจริงคนที่มาจากพรหมนึกจะไปเป็นพรหมมีความเข้มแข็งจากกำลังฌานสมาบัติเวลาที่มาเกิดคนมาจากพรหมจะมีจริยาไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา จะรักแต่ความเป็นธรรมอย่างเดียวถ้าความอายุติธรรมสู้ก็สู้กันชนหัวอโหชนฝาเรียกว่าไม่ยอมขึ้นกับความอายุติธรรมเป็นอันว่าเวลานี้น่าเสียดายว่าพวกพญาเราแวกมันมาเกิดในเมืองไทยบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่พูดกันเอาละเป็นอวาตายจากพระเจ้าพรมเห็นไหมลูกลัก เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดรบกันเกิบตายขยายเขตแดนไปเป็นพระราชาดั่มรวยกันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคุนนางผู้ใหญ่ผุนิสุก็ตายหมดตายแล้วขนอะไรไปได้บ้างแม้แต่ห น, นวดเส้นเดียวก็อาไปไม่ได้ลูกรักทั้งหลาย <c oughs> ที่ลูกรักทุกคนของพ่อ มีความต้องการธรรมะหวังพระนิพพานพ่อพอใจเราไปนิพพานกันดีกว่านอนสบายให้มันเป็นสุขแล้วเหน่อยกันมาแล้วเกินกว่าสิบหกอสงไขยกับแสงกลับพูดแบบนี้แล้วใครจะฟ้องว่าเป็นการอดอุตริมนุษธรรมก็เชิญนิพพุค ในภาว่าตัวรู้จริงจะฟ้องและก็เชิญทบทวนในการเกิดเวลานี้ขอบอกตามตรงว่าไม่ขึ้นกับใครเท่านั้นขึ้นกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวพอทีห่ผมผ้าเหลืองสักแต่ว่าห่มจะไม่ยอมขึ้นด้วยเด็กขาดเว้นไว้แต่พวกห่มผ้าเหลืองที่ทรงธรรมะแน่นอนนี่ขอประกาศเด็กขาด ว่าถ้าขืนใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมข่มเหงกันนั่นจะได้เห็นดีกันแน่นอนคราวนี้จะได้รู้ดีกันแล้วว่าพวกที่ห่มผ้าเหลืองและไม่ทรงศีลไม่ทรงธรรมหลอกลวงชาวบ้านชอบยศถาบรรดาศักดิ์แต่อย่าลืมนะพวกที่ทรงยศถาบรรดาศักดิ์ที่ท่านดีนะั่นมีมากใต้ที่เลวๆมันก็มีมาก ใอ้พวกเลวๆนี่มันชอบโกนใจสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะได้รู้ถ้าขข้นเข้ามาก็เหงจะได้รู้ว่าคนที่พูดนี้เป็นใครเอาเราพูดกันต่อไปตายกันสัทีหนึ่งพระเจ้าพรมไล่ไปอยู่พรมตามเดิมไปถึงไปไปสัทีหนึ่ง ไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก็แล้วกันนะตอนนี้กลับมาเกิดใหม่ก่อนที่พระร่วงจะสร้างกรุงสุขโขทยัยประมาณ600หกร้อยปีไม่ใช่ที่ประมาณประมาณแปดร้อยปีกลับมาเกิดใหม่มาสัทีหนึ่งก็ดีดีแล้วนี่ ไปนอนอยู่เป็นพรหมเอก เ, อกเอกนตรสบายนอนสบายหนีเหนื่อยไปหนีบาปไปไปเดืนนอดกำไายของกำลังชาญและวิปัสสนาญาณเพราะว่าท่านแบบนี้ท่านทำบาปและท่านทัน้งใจท่านก็ทำบุญเวลาเป็นพระราชาก็ต้องแบ่งเวลาความเป็นพระราชา ไม่แบ่งไม่ได้ ป, ปริบราชาทุกทุกวินาทีให้ใจไม่ออกมันต้องกระโดดโลดเต้งกันบ้างไปธรรมดาธรรมดานี่ท่านว่ายังไงล่ะท่านบอกว่าตามพงโซดานเหลือนะท่านว่าอย่างนั้นน่ยเมื่อพุทธศักราชห้าร้อยปีมรงสมฤตศกแปดแปดสิบหกปีกุล พยาภัยมันนีหนีข้อมจากกรรมพูนมาจำสินปะโถุยมันคนละตอนนี่พอสอนหนงเขียนส่งกล้าไปไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเอาหนึ่งพันแปดเอาหนึ่งพันแปดร้อยตังอแปดร้อยบวกเนี่ยมันเพงจะถูกนะเป็นกล่าวว่าในตอนนั้นพยาภัยพอสอนนี่ใช้ไม่ได้นะ เรอกล่าวว่าพญาภัยมันพญาอภั ย, ยา ภ, ยภยามินีหนีขอนจารำพรหรือเพียงแต่มันนั่งจำศีลภาวนาเนะี่ยมันนั่งตำจำศีลภาวนาทำตายิบยิบยิบยิบยิบยิบยิบให้นั่งจำศีลนีมันแกล้งจำศีลห น, นีเขาก็ปรากฏว่ามีสาวชาวดงคนหนึ่ง ที่ว่า น, น, นะนางนานางนานี่เป็นคนสวยรูปร่างผิวสวยขาวช่อเชียวองหน้าตาดีปากแดงน้อยๆกำแดงหน่อยๆสุดทรงน่ารักเมื่อเจอกับพระราชาเข้าในป่าราชาจำสิงก็เลยเพิ่มสิ่งอีกข้อหนึ่งคือ ปานาทินากามิมมุสาสุราดพัญญาภริยังสรนังขเชามิเข้าไปเจ้าขอถึงพัญญาเป็นที่พึง่งโดยสมสูตรอยู่ด้วยกันเพียงจิตวันหลังจากนั้นท่านก็นเดินทางต่อไปเพื่อหวังจะหาอำนาจจะหวังจะครองอนาจตามเดิมแต่ก่อนจะไปก็ให้ผ้ากําพุกับธรรมรงไว้ เป็นที่ระลึกบอกว่าเวลานี้กำลังลำบากจะต้องแสวงหาหน้าครองราชใหได้แต่ครองราชได้เมาาื่อไรจะกลับมารับแม้แค่เจ็ดวันนี้ก็นอนสะดุง้งเฮือกเฮือกทีนะตามปกติจะต้องอยู่กันประมาณสักประมาณเท่าไรดีดล่ะประมาณทั้งสามเดือนโอกเดือนไม่ค่อยจางๆไปนิดหนึ่ง แค่เจ็ดวันนี่มมนก็นอนฝันไหวยังไปเกือบตายนอนสะดุ้ ง, งหวาไป็นอะว่าเมื่อไปแล้วก็ปาปกว่านางนางเกิดตั้งคันขึ้นมาความจริงการสัมผัสซึ่งกันและกันแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะตั้งคันได้เวลาคลอดออกมาแล้วไม่รู้จะไว้ที่ไหนดิ ก็ไปไว้ที่เขาหลวงหมายความว่ายาภัยนี่แะไปได้เสียกับนางที่เขาหลวงนางคลอดลูกคนใหม่ก็ไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนไปคลอดที่เขาหลวงเอาเปาผลผ้ากำพลแขวนไว้แล้วให้พระธรรมรงไว้ด้วยนี่ในคนดีของเชียงแสนนิยนกทครน กานกล่าวไอ้กรรมที่ทำให้เขาพลดพราดจากกันคตีของับฆ่ามรณะนาดตายแล้วไปเป็นพรหมกฎของกรรมที่เขาทำให้เขาพลาดพอ่อพัดแม่พัดบ้านพัดเมืองพอมาเกิดเข้าที่ไหนได้กกลายเป็นถูกแม่ทิ้งไปซะแล้วเอาแล้ว นี่พระพรมยุ่งแล้วอยู่เป็นพรหมไม่พอนเนาะเสดลงมาอีกก็ยันนอนไม่ส บ, สบายๆไม่เอาแันนอนไม่ได้ที่ ร, รู้สึกว่าเวลานี้รู้สึกว่าไทยป่นปีอีกหลังจากที่พระยาพรหมมหาราชตายไปแล้วเพราะลูกลกดีไม่พอตายไทยก็กลับเป็นท่าของขอมต่อไปส่วนใหญ่ เจ้าขอมนี่มันก็ย่ำยีต่อไปท่านกลา่าวท่านท่านล่อยฟังบอกว่ามีพรานป่าไปพบกมุมารนั้นเอามาเลี้ยงเป็นบทบนธรรมเา้ยแต่พรานนี้แกก็ไม่มีลกูกต่อมาพยาภัยสร้างปราสาทสร้างพระราชฐานก็เกณฑ์ชาวบ้านให้มาช่วยรานผู้นั้นแกก็ถูกเกณฑ์มาด้วย แล้วเอาเด็กชายคนนั้นไปด้วยเวลากลางวันแดดมันร้อนจึงเอาเด็กไปนอนไม่ใต้ร่มบริษัทเกี่ยวกาสต์สที่ยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นนอนไม่ในร่มให้บริษาท ต, ต้องเอไหวโอนไปเอียงมาเอียงมาโอนไปเหมือนกับลมแรงพัดถูกวันไหวไปทางหลังพยาภายัยจึงรับสั่งให้เอาตัวพรานนั้นเข้ามาถาม ว่าเอาเด็กนี่มาจากไหนพรานก็ตอบว่าไปได้มาจากเขาหลวงเพราะอยากจะไปดูเด็กเอาเด็กไม่ดูถามว่าเด็กคนนี้มีอะไรเป็นสัญลักษณ์พรานกับพรามณ์ก็บอกว่ามีาผ้ากำพลกับเก้าแหวนธรรมยาภไพก็จำแหวนได้จำผ้ากำพลได้เขาก็ทราบว่าเป็นพระราชโอรส จังได้ขอพราเพราะว่าลูกคนเด็กคนนี้ขอฉันได้ไหมฉันจะทุบเลี้ยงไว้เป็นลูกคนธรรมของฉันราหง์แกก็รักแค่เกือบตายแะก็ให้พระราชาขอนี่ให้พระราชาก็รค่จะทานบ้านสวยเป็นว่าให้รวยขึ้นก็แล้วกันต่อมาเจ้ให้นาว่าอรุณโกมารอรุณกุมนัมน แ ล, แล้วพระพระอัคเเอ็งเมสีพัญญาใหม่ก็ประสูติพระราชโอรสออกมาอีกองหนึ่งจึงให้มีนามชื่อว่าิทธิภุมานซึ่งเป็นน้องที่น้องสองคนนึงก็าบอกว่ารักกันมากแต่ต่อมาคนเรียกกันว่าอริอรุณเรีรเรว่าพระรุ่งนั้นพระรุง่งรุง่รงโรด น้องชายเรียกว่าพระลือพระรุ่งกับพระืออยู่ตอนนี้นะความจริงก็พระรุวงกับพระฤือนี่พระลือนี่ต่อมามากินเมืองอยู่ที่นครสวรรค์ต่อมาเมื่อทรงบิเศพระรุ่งกุมารกับพระราชชินดาจเจ้าเมืองสีสัชนาไลาตอนนี้มาคลองกันอยู่ที่เมืองสีสัชนาลัยนี่ ความจริงที่ศรีสัชนาลัยนี่เขาก็เป็นนครมานานเป็นอันว่าคนไทยสมัยนั้นมีเมืองละเกตและกะแถวแถวเนี่ยไอแถวแหลมทองเนี่ยยุ่มย่ามไปหมดจนกระทั่ ง, งถึงภาคใต้ไทยเต็มแต่ว่าเรียกกันว่าละว่ามังละโว่มังละเวมัง่งละตามเรื่องตำราขเขาไปเมื่อปุกรองเมืองศรีสัชนาลายัยแล้วก็ได้นามว่าพาระหลวง ใช่ไหตอนนี้มาเป็นพระร่วงแล้วไม่เช้าคงเป็นพระลน่นพระองค์ก็ทรงสร้างวิาหารห้าทิศสร้างพระพุทธ ร, รูปหน้าพระาธราตุธรรมาห า, าธานตะุหน้าสร้างพระพุทธ ร, รูปหน้าพระมาห า, าธาตุหมายถึงเจดีย์ใหญ่แล้วก็แล้วสร้างพระระเบียงสองชั้นอไปดูที่ศีสษะน า, าลัย จะมีนะวัดอะไรวัดเจดีย์เจ็ดยอดนะถ้าเทาก็ใกล้ๆนั่นแหละไม่ใช่วัดเจดีย์เจ็ดยอดหรอกนีก่ใกล้ๆเอาศิลาแรงทำกำแพงเป็นเสาคมรอบรวิหารเอาทองแดงมาฮะเอาทองแดงทำลำพัะขนัน8ปดสิบแปดศอกโกโน่าจะเป็นแปดศอก ครึ่งน่ะแปดที่แปดศอกยาวตั้งหลายปีไปบอกคุณเอ้ยนี่ตำราเก่าเขาเขียนยังไ น, นท่านบอกว่าต้นหนึ่งห้าศอกเกึ่งปลายสามศอกห้ากับสามบวกเขาแล้วก็เป็นแปดแล้วก็เอาแก้วใส่ในยอดสิบห้าใบมันลังแท่นลองได้ รองได้ยอดใหญ่เกรร้ากำทองทำอย่างดีสิบชั้นโอ้โหทองคำนะทองอย่างดีทองคำอย่างดีสิบชั้นแล้วก็หุ้มทองแดงคลิปขนุนลงมาถึงติงขัหาแล้วก็พระอมโวสดแล้วก็สร้างวิหารเจดีย์ ที่ต้นรังให้ชื่อว่าวัดเขารังแรงเท่าเวลานี้หมดแล้วพวกคนนั้นไปหมดทำแล้วก็ชอบหุ่มทองนี่เขาเรียกว่าคนบ้าทองนพระรูปนั้นก็ทรนรภาพยิ่งใหญ่ข้ออย่างนั้นประเทศน้อยประเทศใหญ่ต่างก็พากันมาสวามิภักดิ์นี่เกิดทีไรขยายอนายจักทุกทีนะ เมื่อพอชมนิยุได้สี่สิบปีก็ได้เสวยราชได้ช้างเผือกงาดำเท่าเที้ยวงูใหญ่เท่าผลกร้วยโอ้โหเป็นคู่สร้างบารมีช้างเผือกงาดำแล้วก็มีเคี่ยวงูใหญ่นะาว่าผลกล้วยเป็นคู่บารมีช้างเผือกงาดำนี่ น่ากลัวจะเป็นช้างพระกาพรมก็ไม่รู้แต่พระกาพรมบอกมาเด็กไมไ่ไม่ใช่ทรงมาทรงมาทร ง, งพรมมาเป็นช้างนี่คนโบราณท่านชอบเอาชอบว่าเทวดาเรื่องพรมนะนี่ใครจะไปเป็นประวัติศาสตร์ไม่ได้นะนี่เขาเล่าให้ลูกหลายคนฟังคนอื่นอย่าเสือกคำว่าอย่าเสือกในที่นี้อย่าเสือกมาวิพ่าววิจารณ์ ว่ากันตามโบราณท่านว่ามาก็ว่ากันไปตามโบราณเมื่อพระองค์จะสมลบลบสกรารลบทำไมก็ไม่รู้ให้รีบนพระสงฆ์มาห้าร้อยองค์มีพระพุทธโคสาจารย์ขวาวรังแรงเป็นประธานนวัดโคกสิงขารามบัดจดีเจ็ดแถวเออไม่ใช่เีดีเจ็ดยอดที่ว่าจจดีเจ็ดแถวกลางกลางเมืองศรีสัจนาลายัย พระองค์ให้ทำหนังสือไทยเฉียงมอนพมา่าออทำหนังสือให้ทำหนังสือไทยนะเฉียงมอนพมา่าและเฉียงและขอมเฉียงขอม ม, ออขอนนขอมีมาแต่นั้นอะไรของแกเนี่ยขอมมีมาแต่นั้นเมืองศ ร, ศรีสัจจนาลายพระองค์ให้ทำหนังสือเฉียงมอนเสียงพมา่าเฉียงขอม ยาขอมีมาแต่นั้นไม่รู้เรื่องเลยนี่หลวงปู่พูดทําไมเข้าใจเข้าใจไม่ได้เลยเพราะว่ายากรุงจีนไม่มาร่วมเอ้เข้ามาเฉียงเนี่ยหมายว่าเชิญเชิญมเรมเชิญพม่าเชิญขอมก็ามาร่วมกันแอ่ก็อย่า บ, บอกว่าเชิญก็บอกสิอะไรก็บอกว่าเฉียงภาษาไทยเวลานี้เขาไม่ใช้เฉียงเอาใช้เชิญ พญากรุงจีนไม่ยอมมาร่วมลบศักราชด้วยไอ้คำว่าลบศักฤตนะักฤตมันตั้งผิดตั้งกันไปตั้งกันมาตั้งกันมาตั้งไปไม่ได้มีอะไรเป็นหลักฐานเนะื่ว่ากันทรงเดชก็ร่วมกับพญาฤยอน้องชายเนี่ยพญาฤล่อก็คือฤิธิภูมานจึงได้สเสด็จไปเมืองจีนในระยยาวเปดวากว้างสงี่ศอก สิ้นเวลาหนึ่งเดืนก็ถึงเมืองจีนใหย้ายเขตยาวพห้ยากรุงจีนก็เชิญสันเด็จประทาบเรือหลวงด้วยพระราชสัมพันธ์มตรีและถวายนางราชกันนายานีขลูกสาวชื่อว่าพระสุเทวีราชธิดาให้เป็นเอกอัครมเหสีด้วยเมื่อพระเด็กกลับจากกรุงจีนแล้ว มีนาเรวเคยมีเมียเป็นลูกเจ็ดมาตอนหลังๆที่ชอบชอบลูกสาวเชื่อเจ็ดนะแม่นี่พระร่วงพระหล่นนี่ชอบลูกสาวเชื่อเจ็ดไม่เจอปังก็อะไรเจ็ดทุกทีเพราะว่าพื้นมีมาจากที่เดิมเมื่อเไดกลับมาจากพระเจ้ากรองจีนนะกลับ เมื่อจะกลับพระเจ้ากรุงจีนก็ผ่าตามังกรออกไปเป็นสองภาคทางด้านหางให้แก่พระราชาดามาเพื่อ ป, ประกอบหลักฐานในฐานะเดียสมพระราสารติดต่อกันให้กราทั้งท้ายเน้ติดไปจะได้รู้กันแล้วก็ให้ชาวจีนห้าร้อยคนมาด้วยชาวจีนจึงได้ตั้งเครื่องเตาทำถ้วยทำชาม เขาเรียกกว่าเตาทุเรียงเตาทุเรียงนะมันคืเตาทุเรียนเตาทุเรีย ง, ต, ยงตั้งแต่นั้นมาก็นับได้ว่าชาวจีนนี่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก <c oughs> ท่านคุยต่อไปว่าเมืองพิชัยใหม่มีผู้ครองเมืองชาวเมืองกับลงมกราบทูลขอให้พระเจ้าฤทธิ์ที่ขมาน ขึ้นไปเป็นเจ้าเป็นเป็ น, ป น, ปนครองเมืองเพาเจ้าเมืองเขาตายเขาไม่มีเจ้าผู้ปกครองอมเมืองแล้วแล้วก็ได้ได้นางอะไรก็ได้พระนางมาริกาเป็นเอกอัครมเหสีจึงได้นามว่าพญาเลินพระร่วงพลืยเห็นไหมนี่เขาตั้งไว้พระพระล่วงพลือเนี่ยเมื่อปีศูนย์แปดนั่งรถไปที่นครสวรรค์ตอนทีสี มีผีองค์หนึ่งมันนั่งรูปร่างหน้าตาสวยทุ่มทมหน่อยๆถามว่าชื่ออะไรชื่อบอกว่าชื่อพ่อคุณเลยน่าจะเกยไปองค์นั้นแต่นั้นมาเขาก็แต่นั้นมาที่เขาใหญ่กลางกลางระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองศรีสัจนาลายัย จึงเอาตะปูทองแดงใหญ่สามคำสามวาสามตัวปักไว้ไปเป็นเกตแดนนะโทูให้ตะปูทองแดงในเวลานี้พกเป็นหลอมทำอะไรสมยหมดแล้วติงกล่าวว่าพระยาร่วงหรือพระร่วงในขณนะนั้นขนองมากมักจะเล่นเบี้ยบ้ า, บางเล่นว้าบ้างไม่ทีตัวชอบเล่งเสียวหัวก็ชาวบ้าน คนเด็กพวกเล็กไม่รู้ไปทางไหนเด็กก็เป็นกลุ่มนั่งล้อมวงที่ไหนนั่งที่ไหนเด็กเป็นกลุ่มที่นั่นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คุยกันแบบกันเองนั่นเองนี่เขาเรียกว่าการเอาชนะใจกันถ้าชนะใจกันมันชนะเด็กขาดถึงเวลาใจใช่หน่ายก็แช่หนายกันเด็กขาดไม่กันตัดขัวเป็นตัดใครจะมาขอทุนก็เล่าขอไยไม่ได้ แล้วก่อนนียสางตัยก็พออดดูแลมันไม่ไหวต้องตัดหัวกันแน่้องตัดแล้วพระองค์กนะ็ชอบเสด็จนะชอบไปไหนองค์เดียวเวลาจะไปไม่มีคุณนางไม่มีข้าราารรักษาพระองค์ไม่มีใครไปมันเดียวๆรู้ทั้งบังเหลื่อมรู้จบไตรเพกมีวาจาศักดิ์สิทธ ไอ้รูปบางเหลื่อมเนี่ยมันรูปบงังะอ๋อเถะเอยนี่ น, น, นี่พูดภาษาไทยกันนะอ่าเขาบอกว่าไทยนะไอ้ดีพูดเนี่ยเขาบอกว่าไทยแต่มันไทยเก่ารูปบังเหลื่อมหมายความกำบังตนหายตัวเอ้โถเอ้ยนี่ลูกหลานฟังอย่าไปรู้เรื่องอะไรนะปูปูนะพูดนะมันฟัง ง, ง่ายๆ่ล ย, ยที่รู้จบไตรเพศ คือวิชาเวทศาสตร์ของพราหมรู้จบหมดเวลานนนะ้ารับถือพราม์แล้วก็มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทราบแช่งใครก็เป็นไปตามนั้นแล้วบอกเอาว่าให้เป็นยังไงก็ว่าเป็นไปตามนั้นว่าตายก็ตายบอกให้เป็นก็เป็นแต่คนตายแล้วบอกให้เป็นคงบอกไม่ได้นะ่ะนั่นตายไปหลายวันแนละ้วบอกฟื้นขึ้นมาหนะ้าคงไม่ได้บอกถ้า ต, ตายไปหลายวันบอกมึงเป็นผีคงจะเป็นได้ ถ้าเวลาบอกให้ตายก็ตายก็บอกให้ขอมที่มันผดขึ้นมาจะหินจะินมันจะมาจับบอ่อนี่เธอจงอยู่ตรงนี้เจ้าขอมเลยกลายเป็นหินไปนี่เป็นอันว่าเรื่องของขอมนี่ไอ้ที่ขอมเป็นหินนี่เป็นพระร่วงร่วงโรดนะก่อนหน้าสุขโขทัยไปประมาณเจ็ดรอปีเศษ ก่อนหน้าที่พ็โค้ดคนสีในศรีอันธราทิตินี่โนตอนนี้มาเล่าเรื่องโกหกกันอีกแล้วฟายวังแต่บอกว่าวันหนึ่งทรงว่าว้าวว่าแล้วขาดลอยไปติดอยู่บนใบศาสตร์ยอดเขาไมย่าตรองโอ้ไปนั้นว่าเมียนาจักยาวเหยียด น, น่นพมงะมาคลองหมด แกไม่มาไม่ได้ได้ยินีปีพังเพราะว่ากันมาที่แรกก่อปีเอเมึงใ ก, กล้ๆเขไปแล้วนี่นี่ตอนหลังนี่ว่าสมหมดเวลาไปแล้วหูกหลานนี่ละขอโทษนะเลยเวลาไปหน่อยเอายุติถิไปตเกียตรงนี้นะลืมโดยลาไป